จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับการซื้อประกันภัยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนบริษัทประกันภัยถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รับประกันภัยประกันภัยก็มีหลายแบบด้วยกันถ้าต้องการประกันไม่ให้ไปเกิดในอบาย ก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าได้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดนอบายแล้วถ้าตายไปอยากจะไปสวรรค์ท่านก็บอกว่าให้ทําบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานแล้วไม่ได้ทําบา คือรักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทำบุญตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้ก็คือผู้ที่ไม่ได้ไปไม่ได้ทาบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าตายไปอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทวดาก็ต้องปฏิบัติสมถภ า, ภาวนาจเจริญพุโทโธ นั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องปฏิบัติทำขั้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ม, มันเกิดแล้วดับนะทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งของต่างๆที่เราไีอยู่นี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเสื้อผ้าที่เราซื้อมากระเป๋าที่เราซื้อมารองเท้าที่เราซื้อมาเพชรเนมจินดาที่เราซื้อมารถยนต์บ้าน เข้าของอะไรต่างๆเดี๋ยวเวลาตายไปเราเอาไปไม่ได้เลยกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเพราะนี่คือความจริงของโลกนี้ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวของพวกเราพอร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เร า, เาไม่อยู่นี้เราเอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้แต่ผลที่เรา ได้ทำประกันภัยไว้กับพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปอบายถ้าเราไม่ทำบาปและทำบุญเราก็จะไปเป็นเทพถ้าเราจเจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราทุกเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์กันที่ทุกข์กันก็เพราะว่าหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เป็นสุขทุกวันนี้พวกเราเดินเข้าหากองทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นกองสุขกันอะไรที่พวกเราคิดว่าเป็นกองสุข ก็ลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละที่เราคิดกันว่าเป็นกองสุขกันเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่พอเวลาเสียไปก็ร้องโหมร้องไห้อยากจะกระโดดตึกตายกันอันนั้นก็เกิดจากการที่เราไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุข ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราได้มาสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันหมดไปนี้ใจแทบจะขาดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่วันก่อนมีคนเสียเสียตาไปข้างหนึ่งบอกว่าทุกทรมานมากเพราะอยากจะได้คืนมาอยากยังไงก็ไม่มีวันที่จะได้คืนมาเพราะว่ามันถึงเวลาที่มันจะไป เมื่อมันไปต่อให้เป็นเทวดาก็ดึงมันกลับมาไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่พวกเราไปคิดว่าเป็นความสุขกันเราหาลาบยศสรรเสริญหาตาหูจมูกลิ้นกายกันเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขต่างๆแต่พอตาบวดปั๊บก็ทุกข์ลวแต่ดูหนังก็ดูไม่ได้แล้ว ถ้าหูหนวกขึ้นมาจะฟังเพลงก็ฟังไม่ได้นะนี่คือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นกองสุขกันเราเข้าหากันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กัน <c oughs> คิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอได้แฟนแล้วก็เท่ากับไปได้คู่โชกมาได้คู่ซ้อมมาเรากลายเป็นกระสอบทรายไปโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆไม่ชอบ มันอยู่คนเดียวสบายไม่ชอบชอบไปเป็นคู่ชก ค, คู่ซ้อมเพราะความหลงคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขแล้วเป็นยังไงพอมีแฟนแล้วสุขหรือทุกข์กันน่นนเวลาแฟนเขาหนีไปเที่ยวกับคนอื่นนี่ก็ร้องหอบร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาทะเลาะ ก, กันก็ถูกเขาทุกถูกเขาตี เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้ากันนะถ้าเราฟังคำสอนแล้วรับรองได้ว่าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าเราจะไม่มีความทุกข์นะถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ซื้อประกันภัยของพระพุทธเจ้าจะป้องกันความทุกข์ได้ทุกรูปแบบนะนะแต่จะต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนา แต่ก่อนที่เราจะขึ้นถึงขั้นวิปัสสนาได้เราต้องขึ้นไปขั้นสมถะก่อนแล้วก่อนจะขึ้นขั้นสมถะได้ก็ต้องขึ้นไปชั้นศีนก่อนก่อนที่จะขึ้นชั้นศีได้ก็ต้องไปขึ้นชั้นฐานก่อนเพราะว่ามันมีความยากต่างกันไงชั้นฐานนี่มันง่ายเหมือนเหมือนขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองนี่เดินขึ้นง่ายแต่พอชั้นสีนี่มันขึ้นชั้นสี่ชั้นห้า มันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถึงแม้ว่าขั้นวิปัสสนานี้จะเป็นขั้นที่ดีที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่มีกําลังเราขึ้นไปไม่ได้เราต้องขึ้นไปจากขั้นต่ําก่อนทําทานให้ได้ก่อนปล่อยวางสมบัติเข้าของเงินทองให้ได้ก่อน ละความโลภอยากได้เงินทองให้ได้ก่อนถ้ายัางโลภยังอยากได้เงินทองอยู่ก็จะเสียดายเงินทองจะไม่อยากทำบุญทำทานถ้าทำก็ทำพ อ, พอหอมปากหอมคอซึ่งไม่เรียกว่าเป็นการทำทานทำทานจริงๆต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระเวชสันดรทำแบบนั้นถึงจะได้อานิสงส์เพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นก็จะได้รักษาสี่งได้ ไปภาวนาได้คนที่ยังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่จะไม่สามารถที่จะรักษาสีลให้บริสุทธิ์ได้เพราะเวลาหาเงินนี้อยากจะหาแบบง่ายๆหาแบบเร็วๆหาแบบมากๆวิธีที่จะหาแบบนี้ก็คือต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้าง ต้องทำอาชีพไม่สุดเจริญบ้างถึงจะได้เงินเร็วๆเห็นไหมพวกที่เขาไปสมัครเป็นสอสอไปสมัครเป็นรัฐบนตตีเพราะเขารู้ว่าวิทางนี้ทางหาเงินได้ง่ายได้เร็วพอเป็นแล้วเซ็นชื่อแคกเดียวก็มาล้วี่สบล้าน30สิล้านห้าล้านอยู่ที่ลายเซ็นนี่แต่มันต้องไปทำบาปไปช่อโกง ข้อลาบบังหลวงเอาเงินภาษีของประชาชนที่เขาให้ไปพัฒนาประเทศให้ไปใช้ปกป้องประเทศเอาไปเข้ากระเป๋าของตัวเองนี่คือถ้ายังมีความโลภแบบนี้อยู่จะไม่มีวันที่จะรักษาสิลได้จะไม่มีวันที่จะทำบุญได้ทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาทำบุญเพื่ อ, อะจะได้ให้เขา เห็นว่าเราเป็นคนใจบุญสมฐานเขาจะได้เลือกเราเวลาเราลงเลือกตั้งอันนี้ทาแบบนี้ไม่ได้บุญไม่ได้เป็นเป้าหมายของการทาบุญทางพระพุทธศาสนาการทาบุญทาทานนี้ก็เพื่อให้เราตัดที่พึ่งทางนี้ไปอย่าพึ่งเงินทองเพราะว่าเงินทองนี้มันทำให้เราทุกข์ได้เวลาล้มละลายเวลาหมดเนื้อหมดตัวนี้ คิดฆ่าตัวตายกันทั้งนั้นเพราะเราไปพึ่งเงินทองพรเราไม่มีเงินทองเป็นที่พึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่งเมื่อเราไม่มีที่พึ่งเราก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเราก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งเงินทองพึ่งเท่าที่จําเป็นเงินทองนี้เอามาพึ่งเพื่อซื้ออาหารได้ซื้อเสื้อผ้าได้ซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยได้ แต่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบหรูหราไม่ต้องซื้อแบบฟุ่มเฟือยซื้อแบบสมถะมักน้อยสันโดษจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากอาหารกินมื้อละห้าสิบก็อิ่มเหมือนกันอาหารมื้อละห้าร้อยกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมาก็เหมือนกันพอถ่ายออกมาก็ไม่มีใครอยากได้เหมือนกันอย่าไปบอกว่านี่อุจจระห้อยบาท ต่างจากอุจจาระห้าสิบบาทมันไม่ต่างกันะมันเหมือนกันมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันมันทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันเห็นเราอย่าไปหลงไหลกับการใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยเพราะมันจะกดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปทำสิ่งที่ดีไปซื้อประกันได้ถ้าเราใช้เงินน้อยเราจะมีเงินเหลือใช้ แล้วเราก็จะมีเงินมาทำบุญมาซื้อประกันภัยทางของพระพุทธศาสนาไดา้ถ้าเรามัวแต่หาเงินเราก็จะไม่มีเงินทำบุญแล้วเราก็จะไม่รักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการหาเงินหาทองนั่นเองพ่อค้าแม่ค้านี่วามาวัดที่ไร<ส>เขาบ่นเรื่อว่าถ้ารักษาศีลแล้วมันทำมาหากินลำบาก เพราะเขายัางต้องพูดโกหกเขายัางต้องโกงโกงตาช่างบ้างนับผิดบ้างนับให้มันน้อยลงไปบ้างผสมของไม่ดีปนเข้าไปบ้างอย่างนี้เพื่อเขาจะได้กาไรเยอะๆมีไรายได้เยอะๆเพราะเขายัางมีความโลภอยากได้เงินเพราะเขายัางต้องพึ่งเงินเป็นเครื่องมือหาความสุขพอได้เงินมาก็ไปซื้อ ของต่างๆที่ทำให้เขามีความสุขอยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากดูอะไรก็ไปดูอยากฟังอะไรก็ไปฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็ไปดื่มเขาเลยไม่สามารถที่จะทำทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขใช้เงินทองมาซื้ออาหารให้กับร่างกาย ซื้อปัจจัยสีให้กับร่างกายเขาก็จะมีเงินทองเหลือมาทำบุญแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอามาทำบุญแล้วจะมีความสุขใจมีความสุขใจแล้วก็จะมีความเมตตาเพราะคนที่ทำบุญนี้อยากจะช่วยคนอื่นอยากจะให้คนอื่นมีความสุขก็เลยเกิดความเมตตาขึ้นมา มีความเมตตาก็จะไม่ชอบทำบาปคนที่มีความเมตตาอยากให้คนอื่นมีความสุขจะไม่อยากให้คนอื่นมีความทุกข์ก็จะไม่อยากฆ่าผู้อื่นจะไม่อยากลักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่อยากจะพืชประพฤติผิดประเวณีจะไม่อยากโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพราะทำไปแล้วจะทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาเสียหาย คนที่มีแต่ให้จะไม่อยากจะทำร้ายใครก็จะสามารถรักษาศีลได้นี่คือเรื่องของการที่เรามาทำบุญกันเพื่อที่เราจะได้ตัดความโลภในเงินทองมีเงินมากเกินไปก็เอาไปทำบุญเสีย อ, อย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปเที่ยวเพราะมันจะเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเพราะว่าใช้เงินแบบนี้แล้วมันจะติด มันอยากจะใช้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเงินไม่พอใช้ก็จะทุกข์จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญมันจะทำให้เรามีความอิ่มใจมีความสุขใจจะทำให้เราไม่อยากจะไปเที่ยวไหนไม่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะซื้อก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าขาดหรือใส่ไม่ได้แล้วเราค่อยซื้อมา รองเท้าขาดกระเป๋าหายไปไม่มีกระเป๋าใช้ถึงพ่อยื้อไม่ใช่เห็นอะไรก็ซื้อมาหมดเพราะความอยากได้ถ้าซื้อแบบนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองก็ไม่สามารถซื้อประกันภัยป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้เพราะถ้าเราทำบาปแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีประกันภัย ตายไปก็ต้องไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกเพราะว่าเราไปทําบาปกันนี่คือการมาซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องอย่าใช้เงินทองเป็นที่พึ่งใช้บุญเป็นที่พึ่งใช้ศีลเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ทำบุญแล้วเราจะมีซ้ํายรอเราอยู่ภายภาคหน้าเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะมีเงินทองรอเราอยู่เช่นมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องดิ้นรนไปหาเงินทองให้เหนื่อยยากมีพ่อแม่หามาให้เราก็เพราะว่าชาติก่อนเราเคยทําบุญไว้พอชาตินี้เรากลับมาเงินบุญก็จะส่งให้เรากลับมา อยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าไม่ได้ทำบุญกลับมาก็ต้องมาหาเองกลับมาก็กลับมาเกิดเป็นคนยากจนถ้าอยากจะรวยก็ต้องไปหาเงินหาทองเองนี่คือประกันภัยของพวกเราในอนาคตถ้าอยากจะไม่ยากจนพยายามทำบุญให้เยอะๆยอมจนในชาตินี้ดีกว่าแล้วไปรวยในชาตินี้จนแบบเราควบคุมได้คือจนแบบ เราสามารถอยู่ได้อย่างสบายเพราะเรามีเงินทองพอที่จะซื้อข้าวของสิ่งที่จําเป็นให้เราอยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วพอเรามีเงินเหลือมากไปกว่านั้นเราก็เอาไปทําบุญแล้วต่อไปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้สบายแล้วตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศีลได้ สองข้อนี้ซื้อประกันสองข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าตายไปไม่ไปเกิดในอบายประกันภัยก็คือศีลห้ากับการทำบุญทำทานทำไปเรื่อยรอยักษาศีลห้าไปเรื่อยตายไปไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอนถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนศีลห้ามาเป็นศีลแปเพราะจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้ ต้องใช้กำลังมากหน่อยิี่ห้ากำลังไม่พอต้องเพิ่มเป็นสีลแปดแล้วก็ต้องจเจริญส ม, มถภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบเป็นฌานก็จะได้สวรรค์ชั้นผนสวรรค์ชั้นผมก็มีหลายชั้นตามกำลังของความสงบที่มีหลายชั้นฌานนี่มีถึงแปดแปดชั้นด้วยกัน ชันหนึ่งชา้นสอชัสา 2, ชันสเรียกว่ารูปประชานแล้วก็มีอรูปประชานอีกสี่เป็น8ถ้าอยากจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรงที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องรักษาศีนแปแล้วก็จเจริญสมถภาวนาเพราะว่าถ้าไม่รักษาสีนแปดจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิแต่ถ้ารักษาศีนแปด ก็จะมีเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้ต้องไปอยู่วัดอย่างเดียวพอไปอยู่วัดก็มีเวลาว่างมีเวลามาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไหวพ้พระสวดมนต์พอได้ปฏิบัติไปจิตก็จะค่อยๆสงบไปเป็นฌานขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นไป ตายไปก็ได้ไปเป็นพรหมอย่างแน่นอนนี่คือประกันภัยนะชนิดที่สก็คือรักษาศีลแปดแล้วก็จเจริญสมถภาวนาแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นไปแบบไม่กลับสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไปยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะมันยังเสื่อมได้ถ้าจะไปแบบไม่กลับก็ต้องซื้อประกันภัย ขั้นที่สี่ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องศึกษาดูความจริงของสิ่งต่างๆว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเรานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เ, เกิดมาแล้วมันก็โตขึ้นมาพอโตเต็มที่มันก็เริ่มแก่แก่แล้วมันก็เริ่มเจ็บเจ็บมากๆเดี๋ยวมันก็ตาย นี่คือความไม่เที่ยงเราต้องมาศึกษามามองให้เห็นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไปพึ่งอาศัยมันตอนนี้เราพึ่งอาศัยร่างกายเพราะว่าเรายังต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยยังอยากไปเที่ยวยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานอะไรต่างๆอยู่ก็ต้องมีร่างกาย แต่ถ้าเรามีความสงบที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนาแล้วเราเห็นว่าร่างกายนี้พึ่งไม่ได้ร่างกายนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายนี่เราเอามาหาความสุขไม่ได้เราก็เลิอกอย่าไปพึ่งมันเรามาพึ่งความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิดีกว่าก็เวลาจิตสงบนี เราได้ความสุขที่ดีกว่าการที่เราใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆแต่เราต้องมีปัญญาต้องเห็นภัยของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายว่าสักวันหนึ่งเราจะพึ่งมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างที่พึ่งที่ดีกว่ามาทดแทนที่พึ่งของร่างกายที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือการทำใจให้สง บ, บ น, นั่งสมาธิ ใจสงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปทําอะไรต่างๆพอเรามีความสุขที่ดีกว่าเราก็เลิกพึ่งร่างกายได้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายนี้ต่อไปจะต้องแก่เจ็บตายถ้าเราไปพึ่งร่างกายเวลาพึ่งไม่ได้เราจะทุกข์มาก เวลาไปหาหมอหมอบอกไม่สบายนี้ก็ไม่สบายใจแล้วถ้าบอกเป็นเนื้องอกขึ้นมายิ่งไม่สบายใจใหญ่ถ้าเป็นเนื้องอกก็อยากจะรู้แล้วว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งนี่หัวใจก็ตกไปอยู่ที่เท้าเลยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไปพอรู้แล้วว่าต้องเสียร่างกายที่ไปเสียร่างกายก็เท่ากับเสียทุกอย่างที่เรามีอยู่ไป แต่ถ้าเรามีความสงบเราจะไม่เดือดร้อนเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าทำใจให้สงบใจนี้ไม่ต้องมีร่างกาย<ม>ก็ทำได้ทำใจให้สงบได้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย<ม>ผู้ที่มีความสงบแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะเลิกพึ่งร่างกายเพราะเขารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปพึ่งมาแล้วจะต้องเป็นทุกข์ เพราะเวลามันพึ่งไม่ได้เราก็จะทุกข์งั้นเราอย่าไปพึ่งร่างกายเราอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปพึ่งลาบยศสรรเสริญอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆเพราะว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้เงินได้มาใช้ไปมันก็หมดได้ยศได้ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวก็ถูกเ็าปลดพออายุหกสิบก็หมดไปแล้ว เป็นในพลในพันเป็นอะไรก็กลับมาเป็นคนธรรมดาเพราะนี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นของชั่วกราวเขามีเจริญแล้วต้องเสื่อมไปอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเพราะเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่มีอะไรให้ความสุขมาเอาความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอด หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสงบก็ยังอยู่กับใจและมันจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรามีความสงบมีความอิ่มมีความพอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ใหม่เราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่มีแต่บรมมาสุขปรมังสุขขัง นี่คือประกันภัยชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาซื้อกันให้เลือกซื้อกันไปถ้าเงินน้อยก็เอาขั้นต่ำก่อนทำทานไปก่อนถ้ามีกำลังมากขึ้นก็รักษาศีตอนต้นก็รักษาศีห้าไปต่อไปพอรักษาสีห้าได้ก็ไปรักษาศีแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอทาใจให้สงบได้ก็ ซื้อขั้นที่สี่ซื้อวิปัสนาซื้อปัญญามาทำใจให้ฉลาดไม่ให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปเราต้องไม่ไปยึดไปติดต้องพร้อมที่จะให้มันจากพอเราพร้อมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราพร้อมให้ร่างกายตายเราจะไม่เดือดร้อนเวลามันตาย ถ้าเราไม่พร้อมยังอยากให้มันอยู่เราจะทุกข์มากนี่คือประกันภัยชนิดต่างๆที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เราไปพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆได้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนไม่โคตไม่โกงและไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรจากเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีผงประโยชน์สูงสุดแล้วท่านมีพระนิพพานแล้วท่านมีบร ม, มสุขแล้วสิ่งต่างๆที่เราจะให้กับพระพุทธเจ้านี้เทียบกับความสุขที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ไม่ได้แต่ที่ท่านมาสอนพวกเราเพราะท่านสงสารพวกเราอยากให้พวกเราได้สุขได้สบายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า ก็ขอให้เราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเราได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขเพราะว่าได้ทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะดีกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิปดีก็ยังหนีพ้นความทุกข์ไปไม่ได้ ต้องซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องซื้อทานต้องซื้อศีลต้องซื้อภาวนาสามัตถภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าซื้อประกันภัยทั้งสี่ชนิดนี้ครบรับรองว่าจะประกันความทุกข์ทุกชนิดได้ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเลยจึงขอให้ท่านจงมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้า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 แค้วกล า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตร า, ายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ